เป็นการแสดงทั้งจิตและเจตสิกพร้อมกันเลยเนี่ยนะว่าในขณะที่จิตเกิดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยเจตสิกอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ทีนี้การการแสดงธรรมะของพระผู้มีพระภาคนั้นะ่ะจะจะไม่มองว่าทั้งหมดนี้คือเจตสิกนะแต่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นกลมอ่ะนะกลมภาษาปัญจกะชาอินซีมักพะละมูลกรรมบทโลกวินาศ เพราะจะเป็นการวางธรรมะไว้เช่นเวลาจะพูดถึงเรื่องพละภละก็อยู่ในในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วบางแห่งก็จะพูดถึงมัคบางแห่งก็จะพูดถึงอินทรีย์เพราะฉะนั้นการวางศัพท์ในพระอภิธรรมเนี่ยจะไม่ขัดกับศัพท์ในพระสูตรเนี่ยนะจะเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะดันั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะเชื่อมโยงแบบนี้จะร้อยได้ จะร้อยได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะก็จะรู้เบื้องหลังของการแสดงคําว่าในสิ่งเหล่านั้นนั้นอะมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะอันนี้พูดถึงจิตดวงที่หนึ่งที่เป็นพุทธพจน์จะเป็นลักษณะนี้เป็นดวงที่สองก็เพิ่มตรงนี้เป็นสสังขาริกเท่านั้นเองเนี่นะเพิ่มเป็นสสังขาริกถ้าเป็นดวงที่สามเนี่ยมาต่างตรงไหนต่างตรงเนี้ยเพิ่มวิ ป, ปยุทธเข้ามา แล้วก็เป็นอาสังขาริกษะสังขาริกเ์เห็นไหมอันนี้ก็เท่ากับสี่ดวงแล้วส่วนดวงที่ห้าหกเจ็ดปดต่างแค่ตรงนี้เข้ามาเท่านั้นเองให้เป็นอุเบกขาเวทนาส่วนที่เหลือก็จะคล้ายคลึงกันเกือบทั้งหมดเลยนไ อพอจะทบทวนได้ดังนี้ว่าอย่างเช่นพูดถึงจิตถ้าจะให้จำง่า ย, ายสังเกตที่ 1. งโดยเวทนาเนี่ยนะโดยเวทนาอย่างหนึ่งโดยสัมปะโยคะอย่างหนึ่งกับโดยสังขารเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็จำา3อย่างนี้คำว่าเวทนาก็คือแบ่งออกเป็นสองใช่คือเป็น โสมนัสกับอุเบกขาทีนี้โสมนัสนี่ก็แบ่งออกเป็นสองคือสัมปโยค่ากับอะไรถ้าเป็นโลภะก็เกิดร่วมกับทิฐิเนี่ยนะก็เกิดร่วมกับทิฐิกับไม่มีทิฐิเนี่ยนะก็จะแนวเดียวกันว่าอุเบกขามีทิฐิหรือประกอบกับทิฐิ กับอโอมอุเบคาไม่มีทิฐิประกอบเนี่ยนะถ้าเป็นสะสังขารเนี่ยนะทิฏฐิก็แบ่งออกเป็น2 อ, อีกคือเป็นอสังขาริกสะสังขาริ ก, สสกไม่มีทิฐิก็แบ่งออกเป็น2เป็นอสังขาริศสะสังขาริกเนี่ยนะอะสะอ ะ, สะก็จะเป็น1 นะก็จะโครงสร้างเขาจะมาเป็นลักษณะนี้ทั้งนะ ต, ตัวที่มาตั้งชื่อนอยูสามเนี่ยนะสามตัวเนี้ยเวทนาสัมปโยคะกับสังขารเนี่ยนะมาตั้งชื่อจิตอันนี้โดยโดยสภาวะของจิตก่อนแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ถ้าเกิดการจัดแบ่งตามอารมณ์อ่ะ น, นะ ทีนี้ต่อไปก็จะกล่าวโดยปัจจัยว่าธรรมดาจิตเหล่านี้ต้องเกิดโดยอาศัยปัจจัยก็คือพูดอารมณ์อารมณ์นั้นถ้าชื่อตามสํานวนปัจจัยเรียกว่าอารัมมณปัจจัยอารัมมณะปัจจัยก็มี6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะแล้วก็ธรรมารมณ์หรือปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตก็จะหลากหลายตาม เยอะไปตามอารมณ์เนี่ยนะจะเยอะไปตามอารมณ์ทีนี้ถ้าเยอะไปตามนั้นอีกเนี่ยนะก็คือพูดโดยทวานก็ทวานหอีกเหมือนกันไหลไปตามทวานต่างๆเนี่ยนะก็คือจิตที่ไหลมาทางทวานตาอย่างหนึ่งทวานหูอย่างหนึ่งทวานจมูกอย่างหนึ่งทวานลิ้นทวานกายและก็ทวานใจเรียกว่าโมโนเนี่ยนะทีนี้ถ้า ทวารเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นว่าเช่นทวารตาเนี่ยนะไหลออกมาทางกายวาจาแลวก็จิตกายนี้ก็แบ่งออกไปอีกเช่นร่วงกรรมบทกับไม่ร่วงกรรมบทเนี่ยนะก็ก็แยกมาตามนี้ไปเรื่อยๆอนะแต่ถ้าจะเพิ่มให้เป็นเยอะๆเลยนะ ตามโครงสร้างของความคิดก็คือแบ่งตามการเทศะเทสะก็สถานที่ใช่ั้ยถ้าบุคคล น, นี่เขาเรียกว่าสันตานะตามสันตานะอีกนะนั่นแหละไทยไทยมันชัดไปมั้งเอาเลยเป็นสันตานะประมาณนั้นเะเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ก็จะมากเนไ ก็กลายเป็นว่าโลภะจิตเนี่ยมีได้เยอะแยะไปหมดเล ย, ยแต่ที่เราเรียนมา8ดก็คือพระพุทธพจน์ให้พอเป็นตัวอย่า ง, างนะนะให้พอเป็นเขาว่าจิตนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือโลภะจิตเป็นอย่างนี้นนแต่ถ้าจะท่องก็ท่องอนะถ้าวิธีท่องให้ง่ายก็คือจำเวทนาสัมปโยคะสังขารก่อน ก็จะขึ้นโซนาาสซมณัสสะสะกตังทิฏฐิกะตะสัมปยุตตังอะสังข า, าริ ก, กังพอดวงที่อันนี้ขึ้นมาหนึ่งดวงเลยพอดวงที่สองก็โซาาสซมณัสสะสะกตังทิฏฐิกะตะสัมปยุตตังสะสังข า, าริ ก, กังเนี่ยนก็จะได้สองดวงทีนี้โสซมณัสสะสากตังทิฏฐิกะตะวิปยุตตังก็ไล่ไปเป็นอะสังข า, าริกก็เป็นดวงที่สถ้าโซาาสซมณัสสะสากะตัง ที่ถะตาวิปยุตัง ส, สังขาริกังก็เป็นดวงที่สิที่เหลือก็มาต่างแค่เวทนาขึ้นต้นต่างเท่านั้นเองก็จะเป็นจิตแดดวงแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์จะขึ้นอารมณ์ด้วยเสมอเนี่ยนะแต่ละดวงนี้จะต้องคู่กับอารมณ์เพราะธรรมชาติจิตเว้นจากอารมณ์ไม่ได้นี่นะแต่ถ้าพูดตามพระสูตรจิตที่เราพูดถึงเป็นโลภะจิตนะ เป็นจิตที่มีโลภะเป็นมูลเมื่อจิตโลภะเป็นมูลเนี่ยถ้าพระ อ, องค์จะแสดงว่ามันเกิดตามทวารต่างๆอาศัยทวารต่างๆเกิดขึ้นไหลมาจากทวารตาบ้างหูจมูกลิ้นกายใจยบ้างเนี่ย น, นะแต่แล้วก็ทวารตาหูตาอย่างเดียวนี่ก็เป็นปัจจัยให้กายวาจาแล้วก็ทวารใจเนี่ย น, นะ ถ้ากล่าวถึงกายวาจาใจเนี่ยนะเพื่อเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ให้เห็นว่าสามตัวนี้เนะี่ยกรรมใหม่ทําเหตุใหม่แล้วนะแต่ถ้ากล่าวว่าไหลมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ถือว่ามาจากผลของกรรมเก่าเนี่ยนะ คือผลของกรรมเก่าทําให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์พอ ร, รับอารมณ์จิตเหล่านี้ก็เกิดพอจิตเหล่านี้เกิดก็ทําจิตตชรูปมาเป็นกายวิญญัตก็เป็นกายกรรมเป็นวจีวิญญัตก็เป็นวจีกรรมถ้าไม่ล่วงวิญญัตก็เป็นมโนกรรมเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ไอตรงนี้มันเชื่อมว่าผลของกรรมเก่าทําให้ทํากรรมใหม่เนี่ยนะ ก, ก็เชื่อมกันอยู่อย่างนี้ตลอด ตรงนี้เขาจึงเรียกว่าสนทิไงต่อกันไหมสนทีแปลว่าการเชื่อมการต่อเอาไว้ต่อระหว่างอาศัยเหตุผลของกรรมเก่าก็มาทําเหตุใหม่เนี่ยนะังนั้นทุกครั้งหรือทุกวิถีจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นงานเชื่อมกันสองอย่างนี้ตลอดเลยทุกวิถีเลยนะไม่ว่าทวารตาหูจมูกเล่นกายใจยเนี่ยพอผลของกรรมเก่าปรับทําเหตุใหม่เลยผลของกรรมเก่าทําเหตุใหม่ผลของกรรมเก่าทําเหตุใหม่เมพราะฉะนั้นวัตตะอันนี้ ไม่มีว่าแรกอะ่ะเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดเลยแล้วที่สุดมันอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องคิดเพราะว่ามันเชื่อมเหตุเชื่อมผลเชื่อมเหตุเชื่อมผลเ ห, เห็นไหมไอ้ผลนี่กับเหตุนี่อันไหนมากกว่ากันถ้าตั้งคําถามแบบนี้ผลของกรรมเก่าจริงๆไม่ค่อยมากแต่ว่าเหตุใหม่เนี่ยมากเห็ะนไหมผลของกรรมเก่าก็เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าโดยดวงจิตถ้านับเป็นวิถีนะผลของกรรมเก่าคือจักรคูวิญ ญ, ญาณสัมปติชนะสันติรณะ หม่ยเจ็ดถ้ามนโนทวานิกนะชาวนามันซ้ําๆๆๆ้ซ้ ำ, ซ, ำ, ซ, ำซั ก, ซ ก, ซกเนี่ยเป็นล้านล้านขณะที่ไม่ต้องกล่าวเลยว่าสมมติชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับแสนโกรธขณะเพราะฉะนั้นชั่วระยะการเห็นหนึ่งครั้งที่เป็นจักรคูวิญ ญ, ญาณเป็นผลของกรรมเก่าชาวนะทำใหม่เป็นล้านล้านโกรธขณะเนี่ยนะอันนี้พูดถึงแต่ที่จิตอย่างเดียวกันที่จักรคูวิญ ญ, ญาณ แต่ว่าผลของกรรมเก่าเนี่ยนะก็ตามทาวารต่างๆแต่ถ้าใช้คาว่าตามทาวารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มาจากการคนละกรรมคนละกรรมคนละกรรมไมว่าเป็นอย่างๆแตเนี่ะคือของเราจะไม่มองว่าทุกอย่างเนี่ยกรรมมาให้ผลแบบนี้เสกแบบนี้เกิดมาทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นลักษณะการร้านรับประกอบยน์เฉยๆก็ผลิตอะไรเองไม่ได้ ก็ไปหาอะไรจากที่ต่างๆมาประกอบกันเข้าเพราะฉะนั้นบางทีนะตาขวาดีตาซ้ายมันเกิดเอียงขึ้นมาดื้อๆอย่างนั้นนะเพราะมันไม่ค่อยเข้ากันก็ไม่ต้องห่วงเข้าพันเอาไว้ไม่ต้องออกอ่ะแล้วบอกว่าไอ้ตัวนอนที่อะไรนะตัวนอนที่อยู่ใน <c oughs> ก็เรียกอะไรนะที่มันห่อๆไว้อ่ะนะ มันจะมีนอนอยู่ข้างในเขาเรียกตัวอนะไรเ้วมันพันกันจนมุ่งไปหมดอลยนะแต่ขนาดนั้นมันยังออกมาเป็นผีเสื้อได้ไหมก็ยังออกมาได้แต่สัตว์เนี่ยวิชานี่ห่อไว้อย่างเงี้ยไม่ออกอะ่ะพระพุทธเจ้าพากระเทาะ อ, ออกมาก่อนเขาร <laughs> เรียกว่าไก่ตัวพี่นะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนไก่ตัวพี่ก็พากระเทาะ อ, ออกมาได้ คงมองออกนะดวงโลผ้า8ดดวงเอาใหม่คุณมันเฉลิมพอได้นะทวนอีกครั้งหนึ่งนะพูดโดยเวทนาคือเวทนานี่ขึ้นด้วย 1. โสมนัส 2. อ, อุเบกขาทีนี้ก็สัมประโยค่ะประโยค่านี่แปลว่าการประกอบก็คือการประกอบพร้อมโลผ้านี่จะประกอบกับทิฏฐิก็คือมีทิฏฐิ ประกอบกับไม่มีทิฐิประกอบแล้วก็สังขารอกสังขารนี้แปลว่าการเน้นไปที่การชักชวนนะบุรพประโยชนะบุรพประโย ค, นะรรโยคก็คือที่เกิดการชักชวนขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการชักชวนอ่ะสังขาริกะกับสังขาริกะตัวเลข3ตัวเนี่ยมองให้เป็น8ให้ได้ ถ้ามองให้เป็นแปดได้ก็ถือว่าท่องโลภะจบแล้วเนี่ย น, นะโลภะแปดนะก็ขึ้นมาแบบนี้ว่าวิธีแยกมาก่อนแล้วก็แยกมาอย่างนี้อันนี้ก็แยกไปอย่างนี้เนี่ยนะังไงสุดาหม้ออีกแล้วนะอะนนั้นแค่นี้จบนจ เ, เ น, ะะนี่ยนะโค<ล>รงสร้างเป็นเท่านี้เอง โครงสร้างวิธีจํานะก็มีเท่านี้อ๋อสองยกกาลังสา ม, สสามแบบจมำ น, นิดเอากันแล้วกันคือ <c oughs> ขอมานะเขาให้ท่องมาอย่างเดียวแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะก็ท่องจนคอเจ็บหมดแหละประมาณนี้กว่าจะมามองสูตรออก <c oughs> สายว่าเราเด็กไม่ค่อยเดินะ <c oughs> ท่องก็ท่องมั่งๆแล้วก็ไม่เอาเั้น ทีนี้ถ้าเป็นโทสะโทสะนี่ก็ขึ้นด้วยเวทนาเหมือนกันเห็นไหมขึ้นด้วยเวทนาแต่จะเป็นโทมนัสเวทนาเห็นไหมส่วนของของโลภะก่อนนะโลภะมูลจิตเนี่ยเวทนามีสองคือโสมนัสกับอุเบกขาส่วนโทสะมูลจิต เป็นโทมนัสเวทนาเนี่ยนะเป็นโทมนัสทีนี้โทสะมูลจิตนั้นไม่มีทิ่ติแต่ว่ามีปฏิฆาถามว่าปฏิฆาอันนี้คืออะไรก็คือตัวโทสะเองนั่นแหละตัวโทสะเองนะตัวโทสะส่วนโทมนัสตัวนี้นะมาจากเวทนา ตัวนี้โทมานั์เป็นเวทนาขันโทสะเป็นสังขารขันก็มาแยกเป็นอะสังขาริกกับสะสังขาริกอีกเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยเวทนาที่เป็นโทมนั์เนี่ยนะขึ้นต้นด้วยเวทนาที่เป็นโทมานั์มีปฏิฆะปฏิฆานั้นอะถูกยั่วหรือว่าเกิดเองหรือว่าถู ก, ช, กชักชวนแปลว่าชักชวนนี่แปลว่ายั่วก็ได้ ยุให้โกรธเ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นโทสะมรลจิตสองส่วนโมหะมรลจิตก็มีสองดวงนะก็แยกตรงนี้แยกตรงสัมปโยคะเพราะว่าเวทนาของโมหะมรลจิตมีอย่างเดียวคืออุเบกขาก็แยกเป็นสองคือวิจิกิจฉา แล้วก็อุทธะเนี่ยนะอันนี้ไม่มีผสมประโยคนว่าอสังขาริกกับไม่มีเออขออภยัยไม่มีสังขารน ะ, ะโมหมูลจิตไม่มีสังขารคือไม่ต้องชักชวนหรือว่าถูกชักชวนก็ไม่ใช่ไม่ถูกชักชวนก็ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้แสดงไว้แต่ว่า ผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมโดยมากท่านสงเคราะห์เป็นอาสังขาริกเหสงเคราะห์ไอโมหะเป็นอาสังขาริกอ่าโสมัสค่ะือเบขานี่มันจะอยู่เป็นโสมนัสลึกๆหรือเปล่าหรือกเาไว้มันเป็น อ, อ, อะไรยคือแล้วแต่บางคนเนี่ยนะบางคนดีใจก็แค่ยิ้มยิ้ม บางคนนี่ก็หาตึงเลยนะ ก, ก็ว่าเป็นรายคนไปก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะให้วิเคราะห์โดยเนี่ยด้วยอะไรเนะ น, นี่ยนะเอาว่าเป็นรายคนไปนะว่าบางคนนี่สมนัตก็แค่ตามีประกายเท่านั้นเอ ง, องอออใช่หน้าตาอะไรจะไม่หน้าไม่บอกแม้แต่คำเดียวไม่มีบอกแต่ตา นะคร ว, ว่าตามันเบิกกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งอะไรกันนะแต่ถ้าบางคนนี่ก็ตาหยีเลยก็มีนะแต่ว่ากิริยาอย่างอื่นก็ปกติหมดโสมนัสของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันเนี่ยนะแต่ถ้าคนเส้นจำนวนวาเส้นตื้นหน่อยก็นิ ด, น ด, นดหน่อยหนยก็หาตึงหมดละ <c oughs> คุณหันกลับไปข้างหลังเนี่ยทั้งหมดเลยละ ก็หันไปเดอโดดถ้าไม่พูดอย่างเงี้ยนะน่าจะเฉยเฉยหมดทั้งหมดนี้ก็คืออากูโซลจิตสิบสองเนี่ยจบนะ